บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งพระธรรมคุณที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นนั้นเมื่อกล่าวโดยสภาวะของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ก็จะพบว่าพระธรรม โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นกุศลธรรมนั้นมีสภาวะเป็นสี่ประการด้วยกันประการแรกคือเป็นสว่าขาแต่ธรรมเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วธรรมะเหล่านี้ไม่ว่าในส่วนประยัดคือเรื่องที่จะต้องศึกษาจำจำส่งหรือส่วนปฏิบัติแตก่การที่จะน้อมนำ ไปประพฤติปฏิบัติและแม้แต่การสัมผัสผลในชั้นนั้นๆจนถึงปฏิเวทคือผลอย่างสูงสุดในทางศาสนาเป็นระบบคำสอนที่ทรงแสดงไว้โดยถูกต้องสมบูรณ์ดีแล้วไม่มีข้อบกพร่องแต่ประการใดแม้นยะแห่งคำสอนจะสั้นแต่จะทรงกระชับที่ข้อความเพื่อให้มีผลในการ ประพฤติปฏิบัติแม้จะปฏิบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นผลก็จะบังเกิดขึ้นอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างนิยะแห่งหัวใจพระพุทธศาสนาที่ทรงใช้คําเพียงสีบ่บรรทัดเท่านั้นแต่เมื่อบุคคลได้น้อนมนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วผลก็จะบังเกิดขึ้นตามจุดมุ่งหมาย แห่งพระศาสนาโดยทรงกระชับที่ข้อความพระพุทธธรรมรัตน น, นั้นว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์และการทำจิตให้พองแผ้วซึ่งแต่ละข้อนั้นจะเห็นได้ว่าข้อความกล่าวเพียงสั้นๆท่านั้นเองต่ในเชิงการปฏิบัติแล้วบาปทุกชนิดทุกลักษณะไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม จะต้องละเว้นกุศลจะมากหรือน้อยก็ต้องทำให้สมบูรณ์จิตแม้เพียงเศร้าหมองอยู่จุดใดจุดหนึ่งก็ยังไม่ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แห่งพระพุทธดำรัสที่จัดไว้หรือบางครั้งอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่ามารย่อมไม่ประสบผลทางของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีล มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทและหลุดพ้นเพราะรู้ชอบดังนี้เมื่อมองดูในชั้นของปริยัติแล้วก็จะมีหัวข้อธทำเพียงสองประการเท่านั้นคือมีศีลสมบูรณ์และอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่วันในขณะเดียวกันคำว่ามีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทซึ่งก็หมายความว่า าสตรบใดที่ยังมีความประมาทอยู่บ้างสตรบนั้นจิตไม่อาจจะหลุดพ้นด้วยอัาจา ก, กำนาจของกิเลสได้ผลจากการประพฤติปฏิบัติจึงมีอย่างไม่เต็มที่และแ ม, แม้ในความหมายของคำว่าอับประมาทคือความไม่ประมาทเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงไว้ในรูปของการปฏิบัติตั้งแต่อาการกายวาจาและเข้าถึงจิตใจ ได้แก่ความไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตละวิจิทุจริตประพฤติวิจีสุจริตละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตละความเห็นผิดทําความเห็นให้ถูกต้องในชั้นของการฝึกปลือจิตใจนั้นก็ส่งเน้นไปที่ความไม่ประมาทในการที่จะระมัดระวังจิตของตน เพื่อไม่ให้เกิดความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินระองหลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดระวังจิตไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังจิตไม่ให้หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงระวังจิตไม่ให้มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความบวัวเมาซึ่งจะเห็นได้ว่าในชั้นของการประพฤติปฏิบัติแล้ว ถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลไม่มีความกำหนัดด้วยอำนาจของราคะและโลภะไม่มีความขัดเคืองด้วยอำนาจของโทสะไม่มีความรุ่มหลงด้วยอำนาจของโมหะไม่มีความมัวเมาด้วยอำนาจของความประมาทแล้วก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติได้ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักของพระพุทธศาสนาแต่ผู้ปฏิบัติได้เช่นนี้ จะสัมผัสผลอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้การที่พระพุทธวจะนะมีนัยยะเป็นอนเนกมากมายนั้นแท้ที่จริงแล้วเมื่อบุคคลนานำไปประพฤติปฏิบัติเพียงปฏิบัติจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นธรรมะส่วนที่เป็นกุศลเหล่าอื่นซึ่งยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้น ปริยายแห่งธรรมะที่พิสดารออกไปเป็นการแสดงคล้อยตามอัตยาสัยของบุคคลที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเพราะส่วนแห่งกุศลและธรรมทั้งมวลเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองแปดเท่านั้นและสามารถสรุปรวมลงได้ที่อัปมาแธรรมคือความไม่ประมาทตราบใดที่บุคคล ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทราปนั้นได้ชื่อว่าปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ในหลักธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้ธรรมะที่ทรงแสดงจึงมีลักษณะเป็นสวัสดิธรรมคือทรงแสดงไว้ดีแล้วจริงๆมีความงามในเบื้องต้นด้วยศีลซึ่งมุ่งขจัดบาปโทษที่จะเกิดขึ้นทางกายและวาจา ด้วยเจตนาอันประกอบด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างโมห oh ะบ้างแล้วกระทาสิ่งที่เป็นทุจริตด้วยกายพูดสิ่งที่เป็นทุจริตด้วยวาจาและสแสวงหาสิ่งที่ทุจริตด้วยงานอาชีพต่างๆแต่ถ้าหากว่ามีหลักของศีลอยู่แล้วก็เป็นอันยุติบาประกรรมที่บุคคลจะพึงทาด้วยกายด้วยวาจาไปได้ ในชั้นของสมาธิก็คือเป็นเรื่องการควบคุมจิตใจบรรเทาสิ่งที่เป็นอกุศลสร้างความเศร้าหมองขุนมวัวร่าร้อนให้บังเกิดขึ้นภายในจิตเรื่องปัญญาก็คือเรื่องของการกระจัดมูลรากแห่งกิเลสได้แก่อวิชชาสร้างวิชาหรือปัญญาให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตน จิตใจของบุคคลนั้นก็จะสว่างด้วยปัญญาไม่ถูกความมืดบอดด้วยอำนาจของอวิชชาปิดบังไว้อีกต่อไปซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัมผัสผลที่ตนต้องการปรารถนาในชั้นนั้นๆและขั้นตอนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความงามทางในเบื้องต้นด้วยศีล เป็นความงามในถ้ำกลางด้วยสมาธิเป็นความงามด้วยในที่สุดด้วยปัญญาอย่างที่สวดกันว่าอาธิกัลยานังมะเจกัลยานังประโยชนสานักกัลยานังและยังมีลักษณะที่ถึงความสมบูรณ์ด้วยอัฐะคือเนื้อความและพยาญชนะคือตัวอักษรที่ทรงใช้ข้อความที่เป็นพระพุทธลํรมรัฐ จึงมีลักษณะที่เรียกว่าสุภาษิตคือพูดดีแล้วแม่ข้อความจะสั้นแต่ก็กระชับความกระชับเนื้อหากระชับผลในการประพฤติปฏิบัติดังกล่าวข้อ น, นี้บพงเห็นตัวอย่างนิยะแห่งพระพุทธภาษิต ท, ที่สัดไว้ในที่นั้ น, น, นเป็นข้อความสั้นๆไม่ได้ยาวอะไรเลยบางครั้งก็เพียงประโยคเดียวบางครั้งก็เพียงบรรทัดเดียวหรือสองบรรทัดเท่านั้น แต่เมื่อบุคคลนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุดังกล่าวพระธรรมข้อต่อไปมีลักษณะเป็นสันเลขธรรมคือธรรมะที่ขัดเกลาจิตใจถ้าถามว่าขัดเกลาจิตใจจากอะไรคือขัดเกลากิเลสให้ออกไปจากจิตใจนั่นเองในหลักของศาสนานั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าจิตโดยสภาวะแล้วเป็นประพัดสอนแต่ต้องเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสที่จอดมาดังนั้นถ้าหากว่าบุคลคลขยจัดอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองใจออกไปได้แล้วจิตก็จะแสดงความเป็นรัศมีคือประพัดสร อ, ออกมาเป็นเมื่อได้ขัดเก่าถึงจุดที่หมด สิ่งซึ่งจรมาทั้งหลายจิตก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตรต่างๆว่าอาสวหิจิตานิวิมุตจิงสู้ติจิตหลุดพ้นแล้วจากอาสะวะทั้งหลายไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานแล้วข้อนี้พึงสังเกตว่าจิตกับอาสะวะหรือกิเลสทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นอันเดียวกัน อศาศะรือกิเลสเป็นแต่เพียงสิ่งที่จรมาแล้วมีอิทธิพลเหนือจิตครอบงำจิตสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆให้แก่จิตด้วยหลักการปฏิบัติขัดเกลาอย่างที่ทรงแสดงไว้ในฐานะนั้นเมื่อบุคคลปฏิบัติธรรมะส่วนที่เป็นกุศลแธรรมแล้วธรรมะเหล่านั้นจะมีลักษณะเหมือนกฎรือดังที่ทาหน้าที่ขัดเกลาขาจัด สิ่งที่เป็นมนตินโทษออกไปโดยลำดับทาให้จิตเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าบริสุทธิโทไม่มีสิ่งเข้ามาปรุงแต่งอีกต่อไปที่ท่านใช้คำว่าวิสังขารกตตังจิตตังจิตเข้าถึงสภาพที่เป็นวิสังขานคือไม่มีสิ่งปรุงแต่งและสิ่งที่ปรุงแต่งจิตก็คือพวกของกิเลสทั้งหลายซึ่งมีชื่อ เรียกมีอาการแตกต่างกันนั่นเองข้อนี้พิ่งเห็นตัวอย่างเมื่อบุคคลปฏิบัติธรรมะข้อใดข้อหนึ่งแล้วธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตจะทําหน้าที่กรจัดอากุศลที่ตรองกันข้ามกับตนในพระสูตรบางพระสูตรทรงแสดงไว้เป็นคู่คู่กันเช่นในสันเลขสูตร ได้ทรงยกธรรมะขึ้นมาทีละข้อและได้ทรงเชียเห็นว่าเมื่อธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นจะทำหน้าที่ขจัดสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นออกไปเป็นต้นยกตัวอย่างในกรณีของอินทรีย์ทั้งห้าประการคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพี่ยนสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นและปัญญาความรอบรู้ ซึ่งเป็นอุปการะธรรมที่สำคัญในการประพฤติปฏิบัติ ธ, ธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นศรัทธาเมื่อบังเกิดขึ้นจะทำหน้าที่ขจัดอสัทธิยะคือความไม่เชื่อความเครือบแคลงความลังเลสงสยัยให้ออกไปจากจิตใจวิริยะเมื่อบังเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่ขจัดความเกียจคร้านความเหนื่อยหน่ายความระอา ความขดถูหรือความผลัดวันประกันพรุ่งต่างๆซึ่งมักจะเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของบุคคลสตินั้นโดยสภาพแล้วมีความไม่หลงเป็นลักษณะมีความไม่เผลอเรอพลังพลาดเป็นการแสดงออกให้ประจกักษ์ชัดเกิดใจประฉานั้นเมื่อสติบางเกิดขึ้นความหลงลืมความเผลอเรอความพลังพลาดต่างๆก็จะไม่บังเกิดขึ้น เพราะถูกสติะจัดออกไปสมาธิคือความสงบแห่งจิตเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่บุคคลเห็นได้ไปจากชัดก็คือความฟุ้งสัน้นความบิตกกังวลความซักษายแห่งจิตได้ถูกะจัดไปด้วยกาลังแห่งสมาธิและยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากว่าสมาธิมีกําลังแก่กล้ายังสามารถะจัดกามาฉันทะคือความรักใคร่พอใจในอารมณ์ต่าง เพราะอาการของกามฉันคือความรักใคร่พอใจนั้นเป็นอาการของจิตที่สายไปรับอารมณ์ภายนอกตึกนึกถึงอารมณ์ภายนอกเหล่านั้นมีการกาหนดหมายถึงอารมณ์เหล่านั้นว่าหน้าใคร่น้าปรารถนาหน้าพอใจแต่เมื่อจิตหยุดศึกนึกเพราะมีสมาธิควบคุมเอาไว้อาการสายไปในลักษณะนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น การมาฉันคือความรักใคร่พอใจก็ถูกขจัดออกไปในชั้นของปัญญาซึ่งเป็นหลักสำคัญเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่ขจัดความไม่รู้ในจุด น, นั้นไปโดยลำดับปริมาณของปัญญาและสติจึงเป็นธรรมะที่ทรงใช้ยอยู่เสมอการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาเริ่มด้วยปัญญา และติดตามไปด้วยสติเป็นการพัฒนาปัญญาให้เข้าถึงความสมบูรณ์พระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอรหันตสมาสมัมพุทธะเพราะมีปัญญาจัสุรูดีจัตุรูชอบด้วยรวงเองนั่นเองและเมื่อพระองค์จัดสรูแล้วก็กลายเป็นสติวิปุโลคือถึงความสมบูรณ์แห่งสติเวลามีการเทศการแสดงธรรมไม่ว่าในประรยปิดก หรือที่ท่านแสดงกันในปัจจุบันก็ดีเรื่องสติปัญญาจึงมักมีปรากฏอยู่ในที่นั้นๆอยู่เสมอและในชั้นของการปฏิบัติทางจิตนั้นให้สังเกตว่าทรงใช้ธรรมะเพียงสามข้ออยู่เสมอในมหาสติปัฏฐานอย่างที่ทราบกันคือความเพียนสัมปชัญญะและสติหลักในการปฏิบัติแสวงหาค้นคว้าธรรมะของพระองค์ก็ทรงใช้ เพียงสามข้อเหมือนกันคือเป็นผู้ไม่ประมาทมีเจตจำนงอันแน่วแน่มีความเพียรพยายามก็คือเรื่องของสติสัมก็คือเรื่องของความเพียรสติสัมปชัญญะนั่นเองรับทำทั้งสามประการนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วนอกจากจะทาหน้าที่ขัดเกลาธรรมะที่เป็นข้าศึกโดยตรงของตนแล้วยังจะกระจายการขัดเกลาออกไป ในส่วนอื่นอีนอกด้วยสติจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกปัญญาจริงได้ชื่อว่าเป็นแสงสว่างในโลกและด้วยความเพียรพยายามของบุคคลที่มาประกอบกันนั้นสามารถขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันตรายในชั้นนั้นนั้นนำบุคคลผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในแต่ละจุดได้อย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า คนจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรเป็นต้นธรรมะแต่และข้อไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตามมีลักษณะเหมือนแสงสว่างกิเลสเปรียบเสมือนความมืดจุดใดที่มีแสงสว่างอยู่จุดนั้นย่อมจะไม่มีความมืดในขณะเดียวกันธรรมะที่เป็นกุศลเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลก็มีลักษณะขจัดบาปกจัดอกุศลขจัดกิเลสเช่นเดียวกันฉะนั้นและเมื่อ ได้ขยจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วธรรมะจึงอยู่ในฐานะที่เรียกว่าเป็นนิยานิ ก, กรธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องนำออกถ้าจะถามว่านำออกจากอะไรนำออกซึ่งอะไรนำออกซึ่งจิตจากอำนาจของกิเลสทั้งลายซึ่งเคยสยบจิตเคยถูกบงการด้วยกิเลสเหล่านั้นมาเป็นวลาการบางครั้ง ก็ตกเป็นาธาตุของกิเลสเหล่านั้นเป็นเหตุนำความเดือดร้อนนานาประการให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าตันห้าดาโซอนาดดโรบุคคลผู้เป็นาธาตุของตัญหาย่อมมีความเดือดร้อนอน่งนี้แต่ด้วยการปฏิบัติขัดเกล้าซึ่งธรรมะอันพระพู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วดังกล่าวนันเด่จะนาจิตของบุคคล ออกไปจากอำนาจการบงการการบังคับของกิเลสแต่จะมาอยู่ในคันลองแห่งธรรมะซึ่งถ้าเปรียบวิธีทางเดินของชีวิตแล้วก็จะสังเกตได้ว่ามันมีทางอยู่สองทางทางแรกเรียกว่าทุกขโตหรือทุกขติทางที่สองเรียกว่าโตอสุกโตทำให้ผู้เดินไปสู่สุกติการนาจิตออกของบุคคลในชั้นแรก ก็คือนำออกจากทางที่เป็นทุกขโตคือการไปที่ไม่ดีนำมาสู่ทางที่เป็นสุขโตคือทางดำเนินที่ไปดีเป็นประโยชน์มีอาการเกือกูลและอำนวยความสุขให้แก่ผู้ประพรฏิบัติและการนำออกโดยวิธีนี้เมื่อจิตได้ถูกขัดเกลามาโดยลาดับชั้นต่อไปก็นำออกจากทุก ในสังสารวัฏซึ่งขั้นธรรมดาสามัญ น, นาออกจากความทุกข์ในอบายทั้งหลายและในชั้นเหล่านั้นเองก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับตามคุณภาพแผงธรรมะที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลโดยนาออกจากความทุกข์ที่เกิดเป็นมนุษย์หรือความทุกข์ที่เกิดประณีตขึ้นไปในชั้นของเทพเข้าถึงภาวะของความเป็นพรหม จนถึงนําออกจากสังสารวัตรคือหลุดพ้นจากภาวะความเกิดในรูปแบบต่างๆเพราะในแง่ของปรมัติธรรมคือธรรมะที่แท้จริงนั้นความเกิดทุกลักษณะถือว่าเป็นผลเกิดมาจากกิเลสทั้งนั้นเมื่อบุคคลทําลายกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดหมดสิ้นไปแล้วความเกิดก็ไม่มี พระสาวใดที่ยังมีความเกิดจุสิ่งเหล่านั้นก็คงชื่อว่าเป็นสังขารธรรมดาสังขารย่อมมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาด้วยจิตใจของคนที่มองเห็นความทุกข์ในชั้นในชั้นที่ละเอียดระณีตต่อไปท่านจึงเชื่้เห็นว่าความเกิดไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามแม้ยังสูงสุดคือเป็นในรูปพระพรหม ก็ยังถือว่าเป็นความทุกอยู่นั่นเองการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาเมื่อถึงจุดหนึ่งก็คือนำบุคคลผู้ปฏิบัติออกจากสังสารวัฏยุติการเวียนว่ายตายเกิดด้วยรูปขันธ์อีกต่อไปอย่างที่ทรงแสดงถึงสภาพของพระองค์เองหลังจากตรัสรู้ไว้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย พบใหม่ไม่ได้มีอีกแล้วและด้วยผลแห่งการประพฤติปฏิบัตินั้นธรรมะที่ทรงแสดงเอาไว้ก็จะนำบุคคลผู้ปฏิบัติเข้าถึงฐานะอันหนึ่งที่เรียกว่าสันติธรรมคือธรรมะที่จะนำความสงบมาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติและความสงบนั้นเมื่อกล่าวโดยแนวของไตรสิขาก็จะเห็นได้ว่า ความสงบมีได้หลายชั้นด้วยกันชั้นแรกเป็นความสงบเปรียญไพรจากความทุกข์ในการครองเรือนโดยข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็ทรงบัญญัติศีลซึ่งเป็นข้อห้ามเอาไว้แต่สำหรับข้อห้ามนั้นให้สังเกตว่าเป็นการห้ามเฉพาะภิกษุในพระพุทธศาสนาเท่านั้นสําหรับคริขัตแม้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา จะทรงชี้แจงสดแสดงให้เกิดความสานึกผิดชอบชั่วดีแล้วมีเจตนาวิรัต์งดเว้นเอาเองเพราะไม่มีมาตรการในการบังคับควบคุมแต่ประการใดเวลาทรงใช้คำจะงดเว้นจากปานาธิบาตเวลาสั่งสอนก็ใช้คำว่าปานาติปาตาปฏิวิรตโตโคติที่แปลว่าเป็นผู้งดเว้นจากปานาทิบาต ซึ่งหมายความว่าการงดเว้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นด้วยกุศลเจตนาของบุคคลนั้นเองที่พิจารณาเห็นโทษของการกระทำเช่นนั้นแล้วก็สมาทานศีลเป็นต้นตามหลักที่สมาทานกันเมื่อบับติได้ก็เป็นการส ง, งบระงับดับเวรภัยและความทุกข์อันจะพึงเกิดขึ้นจากการละเมิดศีลของตนลงไปได้และในชั้นของสมาธิ ผลที่บุคคลสัมผัสได้ก็คือสงบระ ง, งับนิวรนิวรก็คือกิเลสโลภะโทสะโมหะที่มีลักษณะอ่อนกว่าชนิดที่ทำให้บุคคลละมิดศีลเพียงแต่เกิดขึ้นรุ่ม ร, มรุมใจให้เกิดความเร่าร้อนเท่านั้นผู้ปฏิบัติในชั้นของสมาธิก็สามารถสงบจากนิวรธรรมลงไปได้ แต่เมื่อปฏิบัติถึงจุดสูงสุดแล้วจะเข้าถึงความสงบอย่างเต็มที่แม้จะอยู่ในแวดวงของกามของกามคุณทั้งหลายคือมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีผพสัพเและอารมณ์ที่ชาวโลกยังคงกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจอยู่ก็ตามแต่เนื่องจากกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความกำหนัด เกิดความขัดเคืองรุ่งโรยบวมเมาดังกล่าวไม่ได้มีอยู่ภายในจิตใจของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นจึงไม่หวั่นไหวกวัดแกงไปตามอํานาจของอารมณ์ภายนอกนี่เป็นผลที่มุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นกุศ ล, ลธรรมทั้งมวลไม่ว่ามีชื่อและองค์ธรรมเป็นอย่างไรก็ตามก็มีลักษณะเป็นสี่ประการดังกล่าวแล้ว คือเป็นสวักขาแต่ธรรมธรรมะที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วอย่างที่สวดกันว่าสวักขาโตพระวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคยา่าทรงแสดงไว้ดีแล้วและเป็นสันเลขธรรมคือธรรมะขาดเกลาบาปขัดเกล้าอากุศลสลายความเข้มข้นของกิเลสซึ่งมีชื่อมีลักษณะ มีประเภทแตกต่างกันออกไปเมื่อขจัดไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรธรรมะก็จะนำคนออกจากอำนาจของอารมณ์อำนาจของกิเลสเหล่านั้นจนถึงนำออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและทำให้บุคคลประสบความสงบความสุขความเย็นอย่างแท้จริงในฐานะนั้น ซึ่งผลเหล่านี้จะเกิดขึ้นตามกำลังความสามารถแห่งตนแต่ข้อที่ควรจะหนักไว้ก็คือข้อแรกได้แก่สวัสดิธรรมธรรมะที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นไม่ได้แสดงไว้ดีแล้วเฉพาะในส่วนที่เป็นกุศลเพียงอย่างเดียวแต่ทรงแสดงไว้ดีแล้วแม้ในส่วนที่เป็นอกุศลและส่วนที่เป็นกลางๆตามนัยยะแห่ง อริยสัจ ท, ทั้ง4ประการนั่นเองเพราะตัวอริยสัจนั้นได้ครอบคลุมเนื้อหาของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเอาไว้คือในส่วนที่เป็นกฎธรรมชาติธรรมดาก็ส่งสอนให้กาหนดรู้ลักษณะสภาวะของสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในส่วนที่เป็นโทษเป็นภัย ทรงจำแนกแสดงไว้โดยละเอียดในแง่มุมต่างๆตลอดถึงตัวที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดจริงเหล่านั้นขึ้นมาในส่วนที่เป็นผลซึ่งบุคคลจะสัมผัสได้โดยการละเหตุแห่งความทุกข์คือกิเลสสร้างเหตุแห่งความสุขคือธรรมะให้บังเกิดขึ้นก็ทรงแสดงไว้ในชั้นนั้น ในขณะเดียวกันส่วนที่จะต้องประพฤติปฏิบัติโดยนัยะที่กล่าวแล้วก็แสดงไว้ในรูปของภาเวตปรธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะพึงประพฤติปฏิบัตินั้นหลักการในทางพระพุทธศาสนาพระบุมีพระภาคเจ้าจึงมักจะเน้นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิปนโนคือการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม หมายความว่าทำใดที่ควรกาหนดรวยก็ให้กาหนดรวยเท่านั้นทำใดที่ควรละก็ให้เพียรพยายามละทำใดที่ควรทำให้แจ้งก็ควรทำให้แจ้งทำใดที่ควรเจริ ญ, ก, รรญก็ควรเจริญคือลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมดังกล่าวแล้วการขัดเกลากิเลสก็จะบังเกิดขึ้น บุคคลก็จะค่อยๆสลัดพันธนาการจากกิเลสเหล่านั้นไปโดยลำดับเข้าถึงความสงบระงับความดับเย็นในชั้นนั้นๆตามสมควรแก่การปฏิบัติของตนต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป